พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอนธานีแสดงธรรมในวันที่23กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าทำบุญแบบผู้มีปัญญาถ้าจนจะคืนให้วันนี้เป็นวันที่2ี่สิบสาม กุมภาพันพธศักราร 2,560 วันนี้หลวงพ่อเมื่อวานหลวงพ่อลงมาจากอุดรมีภาละสองสอย่างนะลูกหลานคณะทศไทยญาจมาศาสนาิจของหลวงพ่อเมื่อวานออกจากวัดรวมธรรมอำเภอเพนมาทอดผ้าป่าให้กับโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาด เพราะว่าเขาตั้งแต่องค์หลวงตาจุตินิพพานไปแล้วหปีรู้สึกว่าโรงเรียนเขาสุดโสมจำไมก่อนมีอะไรเขาก็เข้าไปพูดไปขอหลวงตาหลวงตาก็เมตตาให้เขาไม่มีปัญหาแต่พอหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วทีนี้เขาจะไปขอกับผู้ใดก็คงลําบากใจเขาเลยมาขอกับคณะสง์ หลวงพ่อก็เลยพาหมูพกเพื่อนน้องน่งทั้งหลายได้ไปทอดภาพ ป, ป่าให้กับโรงเรียนเมื่อวานนี่ก็ได้ดีอยู่นะได้เงินทั้งสองล้านสามแสนกว่าบาทเศรษฐกิจอย่างนี้ ก, ก็ไม่ใช่ธรรมด า, าก็คิดว่าซ่อมอาคารเรียนห้องน้ำห้องถ่ า, าทำป้ายโรงเรียนแล้วก็ทำที่เก็บ โกดังเก็บถังออกซิเจนของอนามัยด้วยเพราะเขาอยู่ในโรงเรียนอยู่ในเขตโรงเรียนเดียวกันเประว่าทําทอดปลาปาเมื่อวันได้2เรื่องอเรื่องหนึ่งก็คือสองเคราะห์โรงเรียนที่ชํารุดและก็พร้อมกันก็ให้กับอนามัยที่จะทำโกดังเก็บเครื่องออกซิเจนลูกพ่อไปเห็นด้วยตาเองอใช่ไม่ก็ไม่ปลอดภยัย ทางออกซิเจนไปอยู่ที่ใต้ถุนบ้านพักของพนักงานถ้ามีไฟลนตุมตามลงมาก็เป็นอันตรายได้ก็เลย น, น่ะเมื่อวานพอจากนั้นมาก็ได้ตอนไปบ่ายเย็นๆก็ได้มาที่วัดโพธิสมพรงานของหลวงปู่ใหญ่ก็นี่แหละจะได้พระราชทานเพลิงในเดือนพฤษภาเมาืม่อวานก็ไปสวน พิธรรมหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมจนยอ่อพราะจะได้มาขึ้นเครื่องเมื่อวานนี่นี่แหละและก็วันนี้ได้มาพบคณะสัทธายายมมาฉันที่นี่และก็วันพรุ่งนี้ไม่ได้มาฉันนะสัท ธ, ธ า, ายาจมเอาไปข้างนอกและก็วันที่ยีสิบ้าวันเสาร์คงจะไปฉันที่จิตพุชนาวันที่ยี่สิบหคงจะมาฉันที่นี่อีกกับคณะสัทธายายมลูกหลาน เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาวันที่ยี่สิบหกเป็นวันอาทิตย์จากนั้นก็คงจะได้ลาศรัทธาญาโฉมกลับไปถ้าก็เดือนมีนาสงสัยพระเดือนมีนาเป็นวันครอบรอบวันมรณภาพของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำหลวงพ่อก็คงจะได้ไปในงานอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีนั้นก็คงจะได้ไปจุดนั้นอีกอันนี้กล่าว เล่าให้คณะสัาญญาตยาธิโจมได้ฟังและก็พร้อมกันเมื่อวานพอทอดผ้าป่าสามัคคีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูหน้างานเมื่อวานนสัาญญาตยาธิโจมลูกหลานทุกคนก็คงอยากจะทราบว่างานงานของตอกเสาเข็มของหลวงตาเนี่ยไปถึงไหนแล้วเพราะว่ามาเมื่อกี้นี่ก็มีผู้ถวายเสาเข็มบริจาคเสาเข็มสองสามรายละ เขาคงจะเป็นที่สนใจของลูกหลานพอสมควรนี่เสาเข็มก็ตอกเสาเข็มตั้งแต่วันที่30มกราเป็นวันที่องหลวงตาจุตินิราพาลตรงตามราณภาพวันที่30มสิบกราและก็หปีพอดีนะขนา้าราชกาญาติโยมลูกหลานก่อจะได้ตอกเสาเข็มปั้งแรกนะคือวันที่วันที่30มสิต้นแรกนะและก็มาถึงณนะวันนี้ เมื่อวานที่หลวงพ่อก็ได้ถามไถยว่าตอกเสาเข็มได้เท่าไหร่ร้อย้าสิบต้นแต่เสาเข็มทั้งหมดพันสอ้อยหต้น <c oughs> ที่จะตอกเสาเข็มที่ลงในพื้นแผ่นดินจุดนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ได้เพียงร้อย้าสิต้นก็ยังอีกอยู่จะใช้เวลาประมาณสมเดือนครึ่งการตอกเสาเข็มนะแล้วก็ค่าเสาเข็ม พันราต้นเป็นเงิน32ล้านนะก็ามสล้านท่านนี้ก็ประกาศกับคณะรัต ย, ยาญาติโยมลูกหลานเออผู้ใดจะจะร่วมเสาเข็มนะแต่ว่าะจะตุปจัจที่ได้มาเข่าก่อนครั้งก่อนที่ยอดตู้นะ่ะอันนั้นห้า5้าอล้านนะอันนั้นก็ยังอยู่เราไม่ได้แตะนะเพียงจต่ว่าข่าวนี่เราลงเสาเข็มเราก็ควรจะประกาศให้เป็นสัตโ่วนซิ เพื่ออย่างเสียงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมว่าอย่างรักเคารพในองค์หลวงตาเหนียวแน่นอยู่อย่างเก่าใช่ไหมอันนี้กพอพประกาศขึ้นมาก็เป็นที่พอใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอย่างรักเคารพในองค์หลวงตายง อ, อ, อย่างเหนียวแน่นพอประกาศเพียง20กว่าวันก็ได้เงินตั้ง37ล้านนะออพอ37ล้านเจ้าอาวาสว่าบอก น่าจะปิดเพราะว่าเราประกาศเพื่อเสาเข็มการสุดแท้แต่นะท่านเจ้าวาดท่างกอกับคณะกรรมการก็ปิดเรื่องเสาเข็มแต่ทางนจริงยังไม่ยังไม่ปิดเรื่องบัญชีเกี่ยวกับสร้างพระเจดีย์ของหลวงตานะเพราะสร้างพระเจดีย์หลวงตาณนะ์ยังอีกยาวนานในเรื่องนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับเจดีย์พิพิธภัณฑ์และกษัตล า, าหลายสามจุดนั้นยังยังไม่ได้เซ็นสัญญานะ แต่เซ็น ส, สัญญาแต่เพียงเสาเข็ม32ล้านนะแล้วก็เซ็นสัญญาเกี่ยวกับบริษัทควบคุมงานบริษัทควบคุมงานก็เซ็น ส, สัญญาแล้วเพื่อจะให้เขาเป็นหูเป็นตาแทนเราอันนี้ก็16ล้าน 600,000 ตือหลวงพ่อทราบมาเมื่อวานนี่บริษัทควบคุมงานอย่างเดียวนะ36เดือนนะลูกดานนะใช้เวลา36เดือนคือ3ปีจ้างบริษัทควบคุมงาน สิบหกล้านหกแสนอันนี้ก็ได้ตรงพ่อสุดใจกับคณะกรรมการก็เซ็นสัญญาไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าพระเจดีขององค์หลวงตากำลัง9้าเดอนก้าเดิ น, เดนไปทีทละ9้าละก้านะแอบคิดว่าอีกไม่นานเจดีของหลวงตาก็คงจะไปได้ดีสำเร็จทุกเรื่องภายในสามปี อันนี้ก็ขอแจ้งกล่าวประกาศให้ศรัท ธ, ธาญาติโยมได้รับรู้รับทราบร่วมกันเพราะองค์หลวงตาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของหลวงพ่อองค์เดียวนะเป็นของคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมแต่หลวงพ่อก็ยัง ม, มีความปริ่มใจอิ่มใจในคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมที่ อ, อยังมั่นใจในองค์หลวงตาแต่ว่าเขายัางเคารพังรักเคารพอย่างเหนียวแน่น ถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราจะประกาศ อ, อันไหนออกไปที่มันขาดตกบกพร่องสมมุติว่าเออเอ้พาพัจจีดีของหลวงตาในยังขาดเท่านั้นเท่านี้นะลูกหลานนะักคณะสถานญาติโยมนะัที่รัเคารพในองค์หลวงตานะหลวงพ่อก็มั่นใจพราเหตุไรพราะว่าได้อย่างเสียงดูแล้วว่ า, เ, าเพียงประกาศเาสาเข็มของหลวงตา32ล้านเพียง20ิกว่าวันก็ได้ครบถึง37มล้านนะ ส่วนอื่นหนะลวงพ่อก็เป็นชีพเป็นแนวทางชีวัตเหมือนกันว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราคงจะประกาศคณะจตหาญาติโยมลูกหลานขององค์หลวงตาเขาคงจะหันหน้าเข้าหากันคงจะช่วยๆกันเพราะเรารักเคารพในองค์หลวงตาไม่ใช่รักเคารพอย่างอื่นเรารักเคารพในพระธรรมคําสอนขององค์หลวงตานะองค์หลวงตาเป็นผู้มีความสัตย์ความจริง แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนให้เราฟังในธรรมเทศนาของท่านท่านกล่าวออกมาแต่ละบทแต่ละบาทท่านจะกล่าวเรื่องความพร้อมเพียงสมัคคีเรียวกว่ากล่าวเรื่องการบริจาคทาบุญทาทานท่านคุณประกาศเลยว่าใครก็าตามถ้าทาบุญทาทานแล้ว ท, ทาทางทาทานไปแล้วมันจีบหายมันจิบหายมันลบจมจีบหายบอกมาแล้วจะแทนคืนให้ คุณน่ะท่านมั่นใจถึงขนาดนั้นโอ่งหลงตาชาวเว้นเสียแต่ว่าตัวเองทําไม่คิดไม่อ่านคิดจะทําอะไรก็ทําไปโดยที่ว่าไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความรอบคอบอันนั้นเราก็ช่วยไม่ได้นะท่านช่วยไม่ได้แต่ถ้าว่าทําด้วย เ, เป็นบุญเป็นกุศล จ, จริงด้วยเหตุด้วยผลจริงบุญกุศลก็จะต อ, ตอบแทน พวกเราท่านทั้งหลายหลวงตามั่นใจท่านวัดทาวัดจีพายบอกมาเราจะแทนเราจะแทนคืนให้พุทธน ะ, ะนี่แหละคือธรรมเทศนาของหลวงตาเพราะฉะนั้นเราก็ทํามาอย่างหลวงพ่อเนีมั่นใจที่องค์หลวงตาพูดเนี่ยจึงไดนนามาขยายผลให้กับเราคณะรัตย า, ญญาติโยรฟังหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นจริงๆเวลาทําอะไรลงไปด้วยเจตนาดีแต่ก็ให้รู้จักประมาณตนนะ ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาธรรมไม่ใช่เราต้องมีเราต้องจกมองมองเรามองท่านอันไหนคือถูกต้องอันไหนคือเป็นธรรมอันไหนคือความเหมาะสมนี่แหละเราต้องใช้สติใช้ปัญญาเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกนชนเป็นลูกศิษย์พ่อพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้ใช้ศรัทธาอย่างเดียวนะให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาสัมป ย, ยุอตด้วยศรัทธา ถ้าคนไม่มีศรัทธามันก็ทำอะไรไม่ได้ต้องมีศรัทธาเป็นน้าเชื่อมและเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีปัญญาเป็นรอบคอบในสิ่งนั้นในเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีปัญญารอบคอบเราจะทำอะไรลงไปมันก็พอเหมาะพอสมถูกต้องเป็นธรรมเราเปรียบเทียบในอดีตเปรียบเทียบในปัจจุบันแล้วก็ดูไปในอนาคตอีกต่างหาก น, ะนี่แหละอันนี้คือใช้ปัญญาในการทำบุญทาทาน านนั้นหลวงพ่อเองเห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาหลวงพ่ออื้งพวกพวกเรายัางเชื่อมั่นในทมคำสอนที่องค์หลวงตาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวไม่ใช่แต่บางองค์นะที่หลวงพ่อได้สังเกตเบางองค์นี่ท่านมีเหรียญมีลูกมีเหรียญแจกคนก็หลั่งไหลเข้าไปพอได้อภินิหารลูกเหรียญของท่านแต่เมื่อได้ไปแล้วเนี่ย เขาก็สองซ้ายของขวาสองหน้าสอแล้วก็เก็บไว้พราะลูกเหรียญไม่ได้สอนอะไรอพอครูบาอาจารย์องค์นั้นล่วงลับดับขันไปท่านก็หมดไปด้วยเพราะว่าไม่ผู้ที่ไปหาหก็ไม่ได้เหรียญไม่ได้ลูกไม่ได้เหรียญของท่านก็ไม่รู้จะไปหาด้วยเหตุอันใดแต่ลวงตาของเราไม่เป็นอย่างนั้นลวงตาของเราหน่งคือทำคําสอนของท่านในเมื่อแนะนำสั่งสอนของท่านเรื่องคุณธรรม เรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรม เ, เรื่องการเป็นอยู่จนตลอดถึงรักษาศีลอย่างไรพระควรปฏิบัติตนอย่างไรคราวาสญาติโยมควรทำตนอย่างไรเมื่อมีศีลจากนั้นก็สอ น, สอนเรื่องสมาธิควรทำจิตใจให้สงบอย่างไรในเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วพิจารณ า, าทางวิปัสสนาหาทางพ้นทุกข์อย่างไรให้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรอันนี้ ทำคำสอนของหลวงตาเนี่ครบถ้วนบริบูรณ์นะคณับนักศรา ญ, ญาติโยมนะให้ฟังดูให้ศึกษาดูในธทำคําสอนขององค์องค์ท่านเพราะนั้นพวกเราที่เป็ น, นศิทธิอนุสิตนัว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่ได้เกิดมาแล้วก็ได้พบบัณฑิตนักปราชญ์อย่างองค์หลวงตาเพราะนั้นเมื่อหลวงตาจุดติดนิรพานไปแล้วพวกเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรทดแทนพระคุณของท่านนอกจากอามิชฌาบูชาส่วนปฏิบัติบูบชากับของขวัของเรา รักษาศีลปฏิบัติทำกิจใจภาวนาอันนั้นเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะแต่อามิชุบูชาเนี่ยพวกเราบุคครจะมีนี่แหละอามิชุบูชาเนี่ยพวกเราทําสร้างพัจจีดีถวายองค์หลวงตาเมื่อเราเทําขึ้นมาแล้วคนละมากคนละน้อยก็ไม่ให้เดือดร้อนตนเองนะการทำหลวงตาท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอยู่แล้วไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้ทําความเดือดร้อนให้กับครอบครัวในการทํานะ แต่ต้องคิดซะก่อนที่ว่าแต่ถ้าให้ทําเฉลยโลงตาตําหนิ เ, เกิดมาทั้งทีชีวิตไม่ได้ทําบุญทำทานไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรเลยอันนั้นหน้าตําหนิเกิดมาแบบตมตมอตมะปรายโนตโมตมมะมืดหมาแล้วก็มืดไปไม่น่าจะถูกต้องเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาตมโอตมตมะก็จริง เ, เบื้องแรกเราไม่รู้ตมโอตมตมะปรายโนชโชติ เราเกิดมาทีแรกก็มืดมัวเมืดมนเพราะเรายังไม่รู้ยังไม่ได้ศึกษาแต่เมื่อเราได้ศึกษาทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแล้วอ่อหูแจง้งตาสว่างขึ้นมาเรบก็ควจะประกอบคุณงามความดีนะนี่แหละอันนี้ก็คือทำคําสอนขององ์หลวงตาเนะเวันนี้ลวงพ่อเองได้มาพบมาเจอคณะทายท่าโจมแล้วก็ ในพูดได้ ก, กล่าวเรื่องพระเจดีย์ขององค์หลวงตาไปถึงไหนพวกเราคงอยากจะรู้เพราะเงินทั้ง37มล้านมันไม่ใช่คนเดียวมันหลายร้อยคน ห, หลายร้อยคนเป็นพันคนที่ร่วมบริจาคพปนั้นหลวงพ่อจึงได้ชี้แจงบอกกล่าวให้คณนะคณะตัดทายาจมูมถ้าหาวได้ไปแลยเงียบเก็บไม่มีอะไรเลยเพวกเราก็คงจะตั้งความสงสัยไปถึงวัดไหนแล้วเนาะ เ, เป็นอย่างไร หลวงพ่ออีกมาก็ไม่เห็นพูดอะไรให้ฟังเลยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังขั้นตอนต่อไปเมื่อตอกเสาเข็มขณะที่ตอกเสาเข็มบริษัทขนเส้าบริษัทที่จะมาดูแลงานให้เราเขาก็ช่วยหาบริษัทไหนในในประเทศไทยที่ ที่จะมาทํางานจุดนี้ได้อันนี้เขาก็คง ม, มองมองหากับคณะกรรมการอยู่ในเมื่อได้แล้วก็นั่นแหล ะ, ะคงจะเชิญมาแล้วก็ลงจะประมูลกันแล้วไงประมูลกันกัได้ไปบริษัทไหนยังค่อยว่ากันแล้วไง น, นั่นแหละยังขาดเหลือเท่าไหร่ไอ้มันขาดเหลือเท่าไหร่นั่นแหะข่าวนั้นแหะหลวงพ่อเขาคงจะได้บอกกล่าวคณะกรรมกาญาติโยมให้ได้รับรู้รับทรบารบร่วมกันเพราะองค์หลวงตาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดอย่างที่ว่า ถ้าพวกหลบแบกก็ต้องแบกโดยกันหามก็ต้องหามด้วยกันสุข ก, ก็ต้องสุขด้วยกันทุ ก, ก็ต้องทุกโดยกันเพราะเราเชื่อในธรรมคําสอนองค์หลวงตาท่านทําปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายนะคำว่าหลอกลวงตมตุนหลอกลวงเราอ่านด้ยสิศึกษาด้วยสิหลวงตาเนะีมีแต่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนีนึกเหงือกสุดท้ายของท่านก่หาทองคําเข้าขัางหลวงเนะี่ยตังถึง13ตันนะ ได้ที่ไหนมีไหมพระในประเทศไทยพระในโลกเนี่ยมีหลวงตาเท่านั้นนะเออไม่ได้ยกย่องนะศึกษาดูหลุงพ่อไม่ได้ยกย่องครูบาอาจารย์องค์ไหนง่ายๆเหมือนกันนะทั้งที่ลุงพ่ อ, อง โ, งโง่ๆแต่หลุงพ่อเนี่ยเชิดชูบูชาหลว ง, งตาเออหลวงตาคิดได้ยังไงบ้านเมืองจะล่มจมจิบหายในช่วงนั้นนะ่ะหลวงตาออกมาเนี่ยหาทองคำํำคนอื่นก็ว่าหาเงินหาดอลล่าเขา้าขางหลวง หลวงตาวทองคํานี่ยเขาเป็นอย่างที่หลวงตาได้พูดได้กล่าวจริงๆทองคํเขาเข้าไปอยู่ในคลังหลวงสงบเน่งจากนั้นเราจะพิมพ์ธนบัตรออกมาก็มีคุณค่าเพราะว่าทองคําเข้าไปประกันอยู่ในคลังหลวงของแผ่นดินนี่แหละอันนี้ก็คือคุณประโยชน์ขององค์หลวงตาทําคุณูปการให้กับประเทศชาติให้กับพวกเราท่านทั้งหลายไม่หว่าคดีโลกคดีโลกก็อย่างนี้แหละอะวัตถุนะ คติธรรมคือท่านสอนทางธรรมะทางด้านจิตใจให้กับพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาดูห น, นะการทาคําสอนขององค์หลวงตาฟังธรรมเทศนาของท่าน เ, เมื่อฟังแล้วจะเป็นเครื่องสอนจิตสอนใจของพวกเราพวกเราจะเป็นคนดีจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทน ะ, ะและจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่างไปที่ไห น, น นาทีจุดท้ายพวกเราปิดงบกันนะทีเดียใครได้กําไรมากใครได้กําไรน้อยอในเฮือกสุดท้ายนี่แหละแต่ลุงตาท่านบอกว่าเราไปแล้วเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกเราเข้าเป็นจุดตีนิรภัยนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอันนั้นคือท่านปิดงบของท่านเต็มบริลีบูลนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายลองลองงบดูสิงบน้อยดูสิงบรายวันดูสิและก็งบรายเดือนกับงบรายปีฮะ ผลในสุดคืองบสุดท้ายนะครับให้พวกเรางบงบดูนะทดลองงบงบดูชีวิตของเราแต่ละวันเป็นยังไงขาดทุนได้ไดกําไรวันนี้อาทิตย์นี้เราขาดทุนและกําไรเดือนที่แล้วเราขาดทุนและกําไรปีที่แล้วเราขาดทุนและกําไรนี่นแหละถ้าเราดูโอ้ไมีแต่ขาดทุนขาดทุนเราก็ควรจะหากําไรเข้ากับตนเองบ้างนะมีแต่ให้ขาดทุนไปเรื่อยๆก็ไม่ดี ควรจะหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเท่าจูใจคนจะให้ทานอย่างไรรักษาศีลอย่างไรภาวนาอย่างไง่ตบปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอย่างไรอันนี้รวมแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะนะักทาญาติโยมโลูกหลานนะการอ่อนน้อมถ่อมตนมีแตม่มีแต่เป็นเรื่องเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตีน่านะ